สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันและรายการธรมรมาราบรุณทางสถานีวิทยุทยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันขึ้นปีใหม่วันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราคมปีพุทธศักราช2555นะคะวันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่ําเดือนยี่ปีมะโรงค่ะเช้า ว, วันปีใหม่หรือเช้า ว, วันขึ้นปีใหม่อย่างนี้คิดว่าเป็นวันที่สดใสดียนะคะ เมื่อขึ้นปีใหม่ทีไรเราก็จะมีความหวังหรือว่ามักจะตั้งความหวังใหม่ๆในสิ่งที่ดีๆหวังว่าสิ่งที่ดีๆนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราต่อไปในปีที่กําลังตั้งต้งตนก็คือในวันนี้เป็นต้นไปนะคะเช้าวันนี้ในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไดิฉันก็ขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้มักการก็เรียกว่ากราบสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโน พระอาจารย์ของเรานะคะซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดทิโตภาโสท่านพระคุณสิทธิ์ภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอําเภอนงค์หารจังหวัดอุดรธา น, นีนะคะมากราบนมัส ก, การท่านพร้อมกันเลยค่ะวันนี้ท่านมีหัวข้อที่จะมาสากระชา้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นการเป็นมงคลต้อนรับปีใหม่กันอย่างดีทีเดียวนะคะกราบนมัส ก, การเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเสน่ห์พาน พระอาจารย์เจ้าคะวันนี้เรามาพบกันเป็นวันขึ้นปีใหม่นะเจ้าคะอย่างที่โยมได้เกิดแล้วดังนั้นเนี่ยในเรื่องของวันขึ้นปีใหม่นี้ลําดับแรกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศซึ่งเป็นแฟนรายการธรรมารา ร, รุณนอยากขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนได้เมตตาที่จะอํานวยพรในวันขึ้นปีใหม่สวดศ์สองพันหรอยห้าสิบห้าให้แก่บรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นลําดับแรกเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะยึ่งอํานวยพรนะ ก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าพรเนี่ยคือสิ่งที่เป็นความสุขซึ่งความสุขนี้เราสร้างได้ด้วยตนเองอยู่แล้วเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในอย่างที่เราพูดกันไปทีนี้ในวันปีใหม่เนี่ยถ้าเราต้องการสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตอย่างเงี้ย เ, เราคิดว่าเราต้องขอรับจากคนอื่นเนี่ยอาตม า, าต้องบอกอย่างนี้บอกว่ามันไม่แน่เขาอาจจะไม่ให้ก็ได้แต่สมมติมาขอจากอาตมาอย่างเงี้ย ธรรมาก็ถ้ามีเราก็จะใ ห, แะให้แต่ถ้าไม่มีเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรใหนะ้ซึ่งในที่นี้เราบอกเรามีไหมเรามีมีสิ่งที่เป็นมงคลให้ท่านผู้ฟังอยู่นั่นก็คือธรรมะของรพระพุทธเจ้าที่เรามาพูดกันทุกวันเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยปล่อยวางได้เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความร่าเริงในธรรมะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามองโลกทั้งใบเนี่ยอย่างสดใสราดเริงมีความสุขความเจริญเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลที่เราให้ท่านผู้ฟังได้ ถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วปฏิบัติตามในจิตไปด้วยนี่แหละเป็นพรอันประเสริฐและเป็นมงคลมอันประเสริฐที่ท่านจะได้รับในปีใหม่นี้เลยค่ะทีนี้ในปีใหม่อย่างนี้นะก็ต้องพูดถึงว่าเราจะพูดกันง่ายๆอย่างที่คุณตนใจพูดไปสักครู่นะว่าจะหวังสิ่งที่ดีๆในชีวิตของเราตื่นเช้ามาใสาปิงแล้วก็คิดว่าปีนี้จะดีอย่างี้นะก็เป็นสิ่งเป็นความคิดที่ดีนอะย่างน้อยเป็นสิ่งที่เป็นกุศลจิต ทีนี้ถามว่าเวลาที่คุณวัดว่าชีวิตคุณดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยเราก็ต้องมีเกณฑ์การวัดที่ถูกต้องนะถามว่าคุณหวังสิ่งอะไรในชีวิตแต่คุณหวังอะไรถ้าหวังสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งในกรณีนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงเรื่องของการขอก่อนนะบางคนจะเที่ยวขอว่าขอให้ปีนี้ฉันได้อย่างนั้นอย่างนี้ขอให้สอบผ่านขอให้ได้2ขั้นขอให ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขอขอขอเนี่ยปชาพูดถึงว่าการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังเนี่ยนั่นเป็นความทุกข์นะคุณเตือนใจค่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราจะระวังซิงว่าปีห้ที่มันมาแล้วเนี่ยนะปี2012เนี่ยเอ๊ะมันจะเกิดเหตุอะไรอย่างที่เขาทำนายกันไหมนะหรือว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นไหม เ, เราจะ คิดว่าเราจะดีขึ้นได้อย่างไรถ้าผมว่าเราขออย่างเดียวนะขอว่าให้มันดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการที่เรียกว่าอขอขอเอานะซึ่งปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังจะเป็นความทุกข์ปีนี้เราจะเป็นความทุกข์ไหมถ้าคุณปรารถนาอย่างเดียวคุณไม่ทำอะไรนะรับรองได้เลยคุณจะเป็นทุกขนะ์แต่ถ้าในขณะเดียวกันถ้าคุณนะอธิษฐานคืออธิษฐานเนี่ยเป็นการสร้างเหตุด้วย คือเราทําความดีเรารักษาศีลเราพูดดีเสร็จแล้วเราตั้งจิตเอาไว้ใ น, นในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงกล้า <c oughs> คําว่าอธิษฐานเนี่ยดึงเลยจะต้องบอกท่านฟังให้ทราบความแตกต่างระหว่างคาว่าขอเอากับคําว่าอธิษฐานเอาคําว่าขอเอาเนี่ยก็คือขออย่างเดียวคุณไม่สร้างเหตุอย่างขอทานเนี่ยคุณไม่ทำมาหากินคุณแ บ, บมือขอตูม่มได้เงินแล้วสบายใจละไปกินก็แค่เศษ ส, สตาง แต่แล้วคุณอธิษฐานอธิษฐานคืออะไรอธิษฐานคือการตั้งใจตั้งมั่นอย่างแรงกล้านในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่คืออธิษฐานคือขอด้วยการสร้างเหตุเอาพูดง่ายๆ ค, คุณสร้างเหตุแล้วคุณจึงปรารถนาเอานนในขณะที่การขอเฉยๆแบ้มือขอเฉยๆเนี่ยคุณไม่สร้างเหตุอย่างนักเรียนเนี่ยปีใหม่นี้ฉันจะสอบให้ผ่านนะอา้าคุณสร้างเหตุไปละคุณยังไปเล่นเกมเที่ยวเล่นไนท์คลับเที่ยวกลางคืน เล่นเกมคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่อ่านหนังสือแล้วก็ขอว่าให้ฉันสอบผ่านรับรองได้เลยคุณจะพบกับความทุกข์ในปีใหม่นี้ <c oughs> แต่ถ้าคุณอ่านหนังสือนะศึกษาอย่างดีสอบถามปัญหาแก้ไขข้อที่ผิดพลาดเรียนจากผู้รูนะ้แล้วคุณปรารถนาว่าปีนี้ฉันจะให้ผ่านอารามาก็สามารถยืนยันได้เหมือนกันว่าปีใหม่นี้คุณจะมีแต่ความสุขความเจริญนะเพราะเราอธิษฐานในการที่จะสร้างเหตุ แตบางคนคิดว่าเรื่องของการแก้บนต่างๆอะไรต่างๆปีนี้ฉันขอให้ฉันจะไปแก้บนคุณยังไม่ได้นะแล้วคุณขอนะแล้วคุณติดสินบนคนที่ไปขอเนี่ยเหมือนกับกู้หนี้เข้ามาคุณเตใจเจ้าค่ะกู้หนี้ยังไงคุณต้องคืนพอเจ้าหนี้มาทวงคุณไม่มีใช้เครียดอีกคุณไม่มีใช้แล้วคุณหนีหนีเขาถูกเขาติดตามยิ่งเครียดหนะักถูกเขาติดตามไม่พอนนั้แล้วถูกเขาจับได้อีกยิ่งเครียดเข้าไปอีกสามเท่าเพราะฉะนั้นเราเราไม่ขอคือหมายว่า เราไม่ขอด้วยการที่ไม่สร้างเหตุนะแต่ว่าเราควรจะอธิษฐานแล้วสร้างเหตุเอาปีนี้ของเราจะเป็นปีที่มีความสำเร็จในชีวิตได้แล้วก็ในปีใหม่เนี่ยเราต้องเข้าใจระบบการทำงานของของเรื่องของกรรมนะคือถ้าคุณต้องการอย่างเดียวแล้วคุณไม่ทำอะไรเนี่ยนะคุณจะไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้คุณต้องการเงินไปกินไปเที่ยวนะคุณไม่ทามาหากินก็เือกับไปกูนี้เขามา อุปราชพูดถึงคนที่ไม่ได้สร้างกุศลไม่ได้มีบุญอะไรเลยแล้วก็คิดว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นเนี่ยมืนกับคนที่ไปกู้หนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราต้องทราบว่าในระบบสังสารวัตรเนี่ยนะวเวลาจะดีขึ้นได้เราต้องมีบุญถ้าเราไม่มีบุญเรามีแต่บาปเราจะจมลงเราจะแย่ลงปี2555ของท่านผู้ฟังจะดีขึ้นได้คุณต้องอาศัยบุญคุณต้องมีบุญคุณถึงจะดีขึ้นได้บุญมาจากอะไร บุญมาจากการกระทําทางกายวาจาใจอาจมาควักให้เธอไม่ได้นะบุญือเราทําบุญให้เธอได้ในกรณีที่ว่าเราพูดสิ่งดีๆให้เธอสบายใจเราพูดสิ่งที่เป็นความจริงเป็นพุทธวระชนะให้เธอทราบข้อมูลที่แท้จริงการทราบข้อมูลที่แท้จริงของเธอการที่เธอสบายใจนั่นแหละเป็นบุญของเธอแต่อันนี้เธอต้องทําเองน ะ, <Okay. S 1> ะ แ, ตแต่แต่เราให้ข้อมูลได้ใช่ไหมพอ <c oughs> เราให้ข้อมูลเธอเธอทําได้เธอเป็นบุญขึ้นมาปีนี้เธอจะ ดีขึ้นได้ด้วยอาศัยบุญที่เธอมีเราะด้วยการบุญที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าเราบอกว่างั้นฉันไปถวายทานนั่นคือแก้ใช้ของภายนอกในการสร้างบุญไงบุญนี่คือความสะอาดของจิตไงถ้าเราใช้สอดของภายนอกในการสร้างบุญเช่นถวายเงินถวายสิ่งที่เป็นอามิตรถวายอาหารพวกนี้เป็นของภายนอกทั้งหมดได้บุญระดับหนึ่งในขณะเดียวกันดีขึ้นมาอีกนะคุณใช้ตัวคุณทาเองใช้ตัวของเราทําเอง ในที่นี้ก็คือว่าปฏิบัติเรื่องศีลนะเรื่องรักษาศีลห้าศีล8เป็นตามเวลาเราก็จะใช้ตัวเราเนี่ยสร้างบุญก็จะยิ่งดีขึ้นมาอีกเราจะยิ่งมีบุญมากขึ้นไปอีกระดับต่อมาเนี่ยเราใช้ปัญญาคือใช้ในการนั่งสมาธิเจริญภาวนาทั้งที่เป็นรูปแบบทั้งที่ไม่เป็นรูปแบบก็ได้บางคนอาจจะไปวัดไม่ต้องไปวัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้ห้องพระก็ได้หรือว่าอยู่ในห้องอาหารก็ได้ถ้าเราแค่มามีสติอารมณ์หายใจ หรือว่าเวลานิดเดียวว่ารอระหว่างประชุมนะตรวจสอบเอกสารข้อมูลเรามีสติอยู่ในลหมหายใจฟังรายการนี้อยู่เอาคุณมีสติอยู่ในลหมหายใจชื่อว่าคุณปฏิบัติทางจิตละอันนี้ได้บุญเลยบุญนี่แหละจะเป็นตัวที่เราส่งเราให้สูงขึ้นสำเร็จในชีวิตสอบผ่านมีหน้าที่การงานดีเรียนรู้ร่ารวยสวยขึ้นดอขึ้นแล้วก็มีทรัพย์สินสมบัติมันอาศัยตรงนี้ไง เัะนั้นพอเราเข้าใจระบบการทำงานของสั่งสารวัตนี้เนี่ยเราจะไม่หลงทางเราจะไปตามทางที่ดีได้ปีนี้จะเป็นปีที่สดใสแล้วก็รุ่งเรืองรุ่งโรดมีความสุขความเจริญของเราได้นะอันนี้เรามาฟันธงให้คือเราพูดเนี่ยพูดตามพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องประพฤติปฏิบัติแล้วก็ตั้งจิตให้ดีทาจากตัวของเรานเจ้าค่ะโดยเรียกว่าเป็นการอธิษฐานจิต ที่จะทำอย่างนู้นอย่างนี้อธิษฐานสร้างเหตุ<ช>เพื่อที่ว่าเราจะได้ทําสิ่งดีๆไปตามที่เราตั้งจิตอธิษฐานไม่ใช่สักแต่ว่าจะขออย่างเดียวขอให้เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้โดยที่เราไม่ได้ทําอะไรที่ดีก็ไม่เกิดเป็นบุญกุศลขึ้นได้ใช่ไหมเจ้าค่ะในเรื่องของปีใหม่นี้มีอีกประเด็นหนึ่งคุณเดินใจเจ้าค่ ะ, ะคือถ้าจะพูดไปก็คือเราก็ไกลความเกิดของเรามาอีกปีหนึ่งเจ้าค่ะคือวันเกิดก็ตามหรืวันปีใหม่ก็ตามเนี่ยเป็นวันที่ ปกติตวัวอาจจะมาเองนะก็จะมีคิดว่าเราจะใกลความเกิดของเรามาอีกปีหนึ่งก็คือแก่ลงนั่นเองนะเจ้าค่ะ <laughs> พูดง่ายๆคือใกล้ความตายไปอีกปีหนึ่งใช่เจ้าค่ะใกล้ความตายเข้าไปอีกปีหนึ่งแล้วปีใหม่นี้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นคนลืมแก่นะเราต้องระลึกถึงเสมอเตือนตัวเองเสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ถ้าว่าคิดอย่างนี้เตือนตัวเองอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสร้างบุญไง ปีนี้เราจะประสบความสําเร็จได้ถ้าเราเตือนตัวเองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ฉันเข้าใกล้ความตายเข้าไปอปีหนึ่งฉันแก่เพิ่มมาอีกปีหนึ่งฉันไกลจากความเกิดขึ้นมาอีกปีหนึ่งฉันต้องรีบทําความดีฉันต้องรีบสร้างบุญพอสร้างบุญแล้วชีวิตมันจะสำเร็จทุกด้านเลยคุณตือนใจถูกค่ะหวังเงินใช่ไหมได้ไปเอาไปเลยหวังความสุขความสําเร็จในหน้าที่การงานใช่ไหมได้เลยเอาไปเลยนะคุณมีบุญไหม หวังความสำเร็จในเรื่องการเรียนการสอนในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวในเรื่องของเพื่อนฝูงเพื่อนพี่น้องคุณเอาไปเลยแต่ถ้าคุณมีปุณคุณได้แน่คุณสร้างเอ า, าในเรื่องของชําร่วยของขวัญของเครื่องรางของขลังอาตมามีให้อยู่แล้ว น, น, นี่คือธรรมะของพระเจ้าเรามีให้อยู่แล้วให้ใช้สิ่งนี้แหละเป็นเครื่องที่คุณจะตั้งจิตเอาไว้อธิษฐานทุบโต๊เอาเลยท่านผู้ฟังเลยว่าปีนี้ฉันจะดีขึ้น ด้วยการทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนจะรักษาศีลจะให้ทานจะเจริญสมาธิก็ว่าไป<ว>แล้วก็ทําความเพียรในรูป<ล>แบบต่างๆก็คือดําเนินรอยตามเท้าหรือว่าดําเนินรอยตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้หรือเทศนาสั่งสอนไวนะ้ในเจ้าค่ะในเรื่องของการ <accum. S 2> ทําความดีแล้วก็ทําให้เกิดความสงบความสุข ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเองจิตใจของเราเองเพื่อให้เราสามารถหลุดพ้นไปจากสังสารวัตรนี้ได้นั่นก็คือการมุ่งปฏิบัติตนเพื่อมุ่งไปสู่นิพพานนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสุดยอดเลยเจ้าค่ะนะทีนี้บางคนบอกว่านั้นก่อนนิพพานเนี่ยฉันขออย่างอื่นออย่างๆก่อนได้ไหมจะที่ฐานเอาอย่างอื่นนะคือนี่คือเราพูดถึงเรื่องของตัวความที่เป็นปีใหม่เองเจ้าค่ะนะความที่เป็นปีใหม่เองซึ่งโดยพุทธวจนะเนี่ยก็ พูดในแนวนี้อะนะว่าถ้าเราจะสิ่งที่เป็นอนาคตเนี่ยมันยังมาไม่ถึงเราอย่าไปยึดถือมันทําให้บางคนเขา้าใจไปว่าเอ้งั้นเราก็จะตั้งเป้าหมายในชีวิตได้ไหมอะ่ะงั้นเราก็ไปล่อยไปตามยถากรรมเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆหมายความว่าอย่างนี้พุรูชาบอกว่าไม่ให้คํานึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะไม่ให้คํานึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหมายความว่าคุณอย่าไปยึดถือในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยึดถือในที่นี้ไม่เหมือนกับต่างกับคําว่าตั้งเป้าหมายในชีวิตนะอย่างปีนี้บางคลบอกว่าฉันมีเป้าว่าฉันต้องลดน้าหนักสัก1สิบโลฉันจะต้องมีสุขภาพดีขึ้นฉันจะต้องรวยขึ้นฉันจะต้องมีความสัมพันธ์กับครอบครัวที่ดีขึ้นนะเรื่องพวกนี้คุณตั้งเป้าไปเลยตั้งเป้าได้ตั้งเป้าแล้วอย่ายึดนะเพราะว่าถ้ายึดแล้วมันจะเป็นความทุกข์แล้วในที่นี้ให้ทํำยังไงก็ให้ตั้งเจริญอิทธิบาท4ี่ นะพระพุทธเจาบอกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยการที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะว่าเจริญอิทธิบาทสในอิทธิบาท4ี่นี่คือบาตรฐานในความสําเร็จบาตรฐานแห่งอิทธิก็คือถ้าพระพเจ้าไม่ได้ตั้งเป้าตั้งใจว่าตัวเองจะเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธนะพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถเดินไปตามทางนี้ได้แสดงว่าพระพุทเจ้าเนี่ยตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคุณเดนใจค่ะนะตั้งแต่ตอนที่ออกบวชเน่ยตั้งเป้าเลยฉันจะต้องหาทางปนทุกข์อา้าวอย่างนี้เรียกว่าพระงง่งที่ธเจมาไม่ถึงคำ ก็ยังมีอยู่เพราะว่ายัางไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในตอนนั้นนะแล้วก็เพราะนั้นเราควรจะสามารถตั้งเป้าได้อย่างพระอรหันต์ทั้งหลายพระราชาพูดถึงพระสารีบุตรพระโมฆลานาะเหล่าอ克拉สาวกทั้งหมด80ิรูปเนี่ยที่เป็นอัสาวกชั้นเอก80รูปเนี่ยทุกแต่ละองค์ละองค์ละองค์เนี่ยนะมาเป็นอัครสาวกได้มาเป็นสาวกชั้นเอกได้เนี่ยก็เพราะเจริญอิทธิบาทสิตั้งเป้าหมายในชีวิตพระอรหัรนต์ทุกรูปทุกองค์ เป็นหมื่นๆล้านๆองค์ที่มีอุบัติมาในตามตามมาในภายหลังเนี่ยแต่ละองค์ละท่านนะก็เจริญอิทธิบาทสี่ทำให้ตั้งเป้าหมายว่าฉันจะเป็นพระอาหารหันต์จึงเป็นพระอาหารหันต์ได้แต่ว่าไม่ยึดถือนะค่อยๆปล่อยวางไปปล่อยวางไป ป, ไ ป, ปัญหาในชีวิตเราเอาไม่ต้องปัญหาก็ได้เป้าหมายที่เราต้องการในชีวิตเราสามารถาบรรลุถึงได้ด้วยการเจริญอิทธิบาทสีแน่นอน ดูสิขาว่ายังแก้ปัญหาเรื่องความแก่ความตายได้เพราะฉะนั้นก็จ ะ, จะสามารถที่จะทําให้เราได้สิ่งที่เราต้องการได้ซึ่งในแนวทางการเจริญอิทธิบาทสีตรงเนี้ก็ต้องบอกให้ชัดเจนนะพระพุทธเจ้าพูดถึงการที่ตั้งเป้าหมายนะคือทําเครื่องปรุงแต่งคือในการเจริญอิทธิบาท4ี่เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3องค์ประกอบไงเจ้ ค, ะค่ะองอบะไรบ้างเจ้าค่ะองค์ประกอบแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทำเครื่องปรุงแต่ง ในที่นี้ก็คือเป้าหมายในชีวิตของเรานะสมมติว่าเราต้องการลดน้ําหนักเป็นต้นนะเราตั้งเป้าไว้เลยปีหน้าภายในวันที่31ธันวาคม2555ฉันจะต้องมีน้ําหนักเท่านี้เกียนไ้เลยเกียนไม่เสร็จแล้วอันดับที่2เราต้องมีสมาธิสมา ธ, มาธิเนี่ยแล้วต้องอาศัยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในเป็นประการที่3ามฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4อย่างนี้รวมเป็นองค์ประกอบที่3 ในการที่จะเจริญอิทธิบาทสี่ได้คืออันนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่า <c oughs> ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเวลาทีเา่เราตั้งเป้าว่าเราต้องการลดน้ำหนักอย่างเงี้ยพราะเจอของอร่อยๆแมมที่เราชอบกินมากๆเลยตองๆที่เราก็อิ่มแล้วเนี่ยตรงนี้แหละมันจะมาเป็นตัวดึงเราต่ําลงทําให้เราไม่ได้ตามที่เร า, เาปรารถนาอาไว้ตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้ถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมเราถึงจะ ยืมนือไปหยิบเขามากินนะเขาะอกจิตของเราไม่มีกําลังในการที่จะต้านทานรสชาติอร่อยๆของอาหารชิ้นนั้นก็คือไม่มีสมาธิวางกันเถอะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่สองนะคือเราต้องมีสมาธิจิตเนี่ยต้องมีกําลังพูดง่ายๆอันที่หนึ่งใช่ไหมคุณต้องการลดน้ำหนักคุณตั้งไว้เลยคุณเล็งไว้เลยอันที่สองคุณจะต้องมีกาลังจิต ที่จะไม่ไหลไปตามความยั่วยวนสิ่งที่มันล่อลวงสิ่งที่มันหลอกเราให้หลงไปคนต้องการมีฐานะดีขึ้นคุณตนใจเขาจะต้องตั้งใจทํางานหนักถูกไหม<บ>แต่บางคนกลับเป็นไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเล่นเกมกดไม่อ่านหนังสือไม่ศึกษาหาข้อมูลไหลเล่นอินเทอร์เน็ตหาแฟนในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูสื่อลามกอะไรต่างเถียงกันว่ากันมันไหลไปนในแนวนั้นเพราะจิตไม่มีกําลังที่จะต้านทานสิ่งเหล่านั้น เพราะะนั้นถ้าองค์ประกอบที่สองเรามีในการที่จะมีจิต ท, ที่มีกําลังเนี่ยปีนี้คุณจะสําเร็จได้ อ, องค์ประกอบที่3คือชันทะพิริยจิตตวิมังสาอันนี้ที่หลายๆท่านทราบดีอยู่แล้วนะเป็นเรื่องของความพอใจเราต้องตั้งใจตรงนี้เราไว้จดจ่ออยู่ตลอดลนะมีความเพียรในการที่ทําอยู่เรื่อยๆมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการกระบวนการในการที่จะทําให้มันดีขึ้นได้บางคนอาจจะพูดถึงยศตัวอย่างคนต้องการลดน้ำหนักอย่างเงี้ย คุณปรับปรุงเรื่องอาหารเป็นวิธีการอย่างหนึ่งคุณมีวิมังสาใช่ไหมนอกจากเรื่องอาหารแล้วคุณยังมีการไปออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วขาเจ็บเป็นยังไงวิ่งไม่ได้คุณขับจักรยานเอาตรงนี้อาศัยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังษาในการที่จะคิดใคร่ครวนตลอดซึ่งตรงนี้คุณจะทําได้คุณจิตต้องมีกําลังนะจค่ะตรงนี้สองอย่างนี้ผสมกันเนี่ยมันจะไปหนุนเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้จค่ะก็คือสิ่งที่เราอธิษฐานจิตไว้นะเจ้าค่ะโครงการในปีนี้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะเราจะทำได้เจ้าค่ะแล้ว เ, เราก็จ ะ, ะเรียกว่าเราอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเจ้าค่ ะ, ะทั้งหมดนั่นก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ไยบณ์อภิปุโนโรพระอาจารย์องค์ปาถุกของเรานะคะได้กรุณาเมตตาที่จะสกักกาหรือว่าชี้แจงแสดงธรรมมาเป็นเหมือนกับพร อ, อันวิเศษนะคะ ที่รายการธรรมารับอรุณมอบให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณของเราในเช้าวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่1นึมกราคม2555ค่ะก็เป็นเป็นวันขึ้นปีใหม่ขึ้น8ค่ําเดือนยี่ปีมะโรง์นะคะนอกจากสิ่งที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักกามาทั้งหมดตั้งแต่ต้นรายการนะจ้าคะในการที่จะต้อง เราอยากจะดีขึ้นมีชีวิตดีขึ้นอย่างไรก็ไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นอดีตแต่ว่าเราให้เป็นประสบการณ์แล้วก็ตั้งจิตก็คืออธิษฐานจิตว่าในปีใหมน่นี้เราจะทำอะไรดีๆบ้างเพื่อให้ชีวิตเราดีใช่ไหมเจ้าคะทะน่นนี้ในส่วนอื่นๆพระอาจารย์มีอะไรที่จะฝากอีกไหมเจ้าคะ่ะสำหรับในเช้าวันปีใหม่นี้ก็คิดว่าท่าผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการของพระอาจารย์คงอยากจะ ฟังพระอาจารย์ได้เมตตาสักษาชี้แจงแสดงธรรมที่จะให้เป็นขวัญเป็นกําลังใจในโอกาสที่วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราชสองพร้อยห้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็มีประเด็นหนึ่งคือเรื่องของที่พูดมาสักครู่เรื่องว่าเราใกล้ความตายก็ไปอีกวันหนึ่งเราไกลความเกิดมาอีกวันเอออีกปีหนึ่งเราใกล้ความตายไปอีกปีหนึ่งเราแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เอ้วยทำไมปีใหม่มาพูดเรื่องอะไรไม่เป็นมงคลพูดเรื่องตายเรื่องอะไรกัน ใช่ไหมซึ่งต้องพูดให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นความจริงคือถ้าเราจะมาหลอกว่าเอ้เธอจะอาอยุยืนเป็นหมื่นหนปีมันเป็นการหลอกลวงเฉยๆคือเป็นความความหลอกลวงที่ทําให้เราสบายใจแต่สู้ว่าเรารู้ความจริงที่เราสามารถแก้ไขได้จะดีกว่าคือเราบอกว่าเอา้าคุณจะต้องใกล้ความตายเข้าไปปีหนึ่งนะถามว่าแล้วเราจะแก้ยังไงเราจะทํำยังไงเมื่อเราเจอความตายแล้วเราเจาจจะเป็นผู้ผาสุกอยู่ได้ ปีหที่ผ่านไปปี1ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังพระรูปเจ้าเคยเตือนพระทั้งหลายนะคุณคตือนใจบอกว่าอย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยพูดซ้ำอยู่นะอย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยนี่เลยหมายความว่าไงก็หมายความว่าตอนนี้คุณทําอะไรคุณทําอะไรเมื่อตอนวัน3ามธันวาคมปี5 5 5หเนี่ยคุณจะไม่ต้องมาร้อนใจเหมือน3าธันวาคมปี5้สที่ผ่านมา ว่าให้ปีนี้ที่ตผ่านมาชั้นแย่ลงไว้แล้วปี 5, 5 3, 1, ้าสิบ้ามาปี5้าาเนี่ยอย่ามาต้องร้อนใจเหมือนปีที่แล้ว <Okay. S 1> หรืออย่ามาต้องร้อนใจว่าปีนี้ฉันเป็นยังไงอะไรกังวลยังไงผ่านมาดีไม่ดียังไงนะอย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังเพราะฉะนั้นคือเราต้องทราบว่าอา้าถ้าเรามีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยจะทําให้เราไม่เป็นผู้ร้อนใจในภายหลังได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจะเป็นเครื่องเตือนสติเราแต่ถ้าเรารู้ข้อมูลนี้แล้วเนี่ยแล้วจะทําให้เราดีขึ้นทําไมเราจะไม่เอา จะเป็นประเด็นที่ทำให้เรายอมรับนะสิ่งที่เป็นจริงรู้ความจริงที่ดีรู้แล้วทำให้เราดีขึ้นมาได้นี่นะอาจจะทำให้เราขัดเคืองแม้ในปัจจุบันแต่ว่าพอในวันสุดท้ายเนี่ยเราจะดีขึ้นมาได้อาตมาคิดว่าดีกว่ า, าดีกว่าที่ว่ามาพูดคำห ว, นหวานๆกันปัจจุบันทาให้เธอสบายใจเดียเด๋ยวๆดี๋ยวแป๊บแปบแล้วรอถึงความจริงมา อ, อ๋อเราก็หายตัวไปแล้วหาไม่เจออย่างเงี้ย <c oughs> มันจะไม่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าจึงพูดประเด็นนี้เสมอ ER ว่าเราต้องรู้โทษเราต้องเห็นประโยชน์และเราต้องรู้ทางแก่นะสามอย่างนี้เป็นสามอย่างที่น้อยที่สุดเลยที่เราจะต้องทราบถ้าเราจะบอกว่าโอ๊ยอันนี้ดีอย่างนี้ด้านดีอย่าง น, างนี้มีแต่ข้อดีข้อ ด, อดีเราต้องคอยใส่เครื่องหมายคําถามไปเลยนะว่ามันจริงไหมพระองค์นี้พูดจริงไหมคนนี้พูดจริงไหมเพื่อนคนนี้พูดจริงไหมถ้าพูดแต่ข้อดีอย่างเดียวเนี่ยอะไรที่มันไม่มีข้อเสียมไม่มีหรอกเจ้าค่<จ>นะ หมายถึงในโลกเนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบทั้งข้อดีของเขาทราบทั้งข้อเสียของเขาทราบถึงวิธีการแก้ไขในที่เราพูดมาในรายการทั้งหมดเนี่ยเราจะทราบข้อที่จริงทั้งหมดเราสามารถทําได้จะไม่เป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังแต่จะเป็นผู้ที่ยังสามารถพาสุขอยู่ได้ในปีสองพันหะ้ารอยห้าสิบห้าค่ะแม้ว่าจะมีสิ่งอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราที่เราอาจจะเจอในเอ อนาคตข้างหน้านี้ในปีพศัร2555นั้นถ้าหากว่าเราวางจิตอย่างที่พระอาจาร ย, ย์ไพบรุณอภิปุโนได้เมตตาสักชามาแล้วนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นคนพร้อมที่จะเรียกว่าเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้าค้าไม่ว่าดีหรือไม่ดี ด้วย<ช>จิต ท, ที่สงบอย่างแท้จริงใช่ไหมเจ้าคะ<ช>คือ<ช>วางเฉยได้<ช>ก็จะเป็นสุขอยู่ได้เขาเรียกว่าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถูกไหมเจ้าคะถูกต้องตลอดปีตลอดหลายๆปีที่จะมาถึงด้วยเจ้าค่ะเหลืออีก3นาทีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะขอความเมตตาพระอะาจารย์ไพบุญอภิปุโนนะเจ้าคะได้สกักการะในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโทภโสท่านพระครูสิทธิประกร ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็พระภิกษสุสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ของวัดป่าดอนหายโศกนะเจ้าค่ะเพื่อที่จ ะ, ะฝากคำำกําอํานวยพรและก็แง่คิดปิดท้ายรายการของเราในเช้าวันนี้ซึ่งก็เป็นเช้า ว, วันขึ้นปีใหม่2 5ง5ัเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะสวัสดีครหลวงพ่อได้ฝากข้อมูลมาบอกท่านผู้ฟังทั้งหลายคือหลวงพ่อดออรสะอาดเนี่นะเป็นอาจารย์ของอาตมาเจ้าค่ะเขาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศก เวลาเรามีคําถามข้อสงสัยแล้วก็ไปปรึกษาท่านบ้างท่านก็เป็นผู้ที่คอยบอกสอนให้นิสัยนะสอนพระภิกษุสามนเณรในวัดนีนะ้แล้วก็ในในช่วงปีใหม่เนี่ยท่านก็ฝากข้อมูลมาบอกทางท่านผู้ฟังแล้วก็คนเตือนใจด้วยนะว่าให้มองเห็นความจริงนะมี3าประเด็นด้วยกันอันดับแรกเนี่ยให้มองเห็นความจริงอันดับที่2เนี่ยความจริงเนี่ยแล้วก็ให้มองเห็นความปลอม อันดับที่3านี่คืออย่าลืมแก่ให้มองเห็นความจริงนี่คืออะไรเรามองกระจกเนี่ยมองกระจกเนี่ยถ้าเราเห็นกระจกที่ส่องอยู่กับหน้าเราแม้เราสวยผมแม้ตาเราก็งามผมเราก็ยังดําอยู่อันนี้คือของปลอมของจริงคืออะไรประการที่สองของจริงก็คือความที่เราจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาแล้วเราก็จะต้องมองเห็นความจริงว่าไอ้พวกนี้มันก็เหี่ยวลงแก่ลงทุกวันเราจะทำยังไงให้รอดผลไปได้ นั่นนั่นก็คือประการที่สามว่าเราจะต้องไม่ลืมแก่และเราก็จะสามารถเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในแผ่นหลังทำใจให้เราอยู่เป็นสุขอยู่ได้ทำอย่างนี้แหละผู้ที่เรียกว่าแม้วันนี้เนี่ยคุณก็เจริญเป็นในทั้งปี 2,55 5นี้ก็จะเป็นปีที่เรามีความสำเร็จความสุขมีใจสบายอย่างน้อยบ้านเมืองจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าใจเราสบายเนี่ยรอบตัวคนรอบตัวเราก็ยิ่งมีความสุขความสบายมากขึ้น หนวงพฝากมาบอกในลักษณะนี้สาธุเจ้าค่ะก็อันนั้นเป็นเงี้ยคิดทฝากมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอเอ่เจ้าสะอาดที่ตัวาโซหรือท่านพระครูสิทธิ์ทิพยากรท่านเจ้าโอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์ไปบุญอุปพุโนองค์ป่าถกประจํารายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะข้าพเจ้ฟังคะที่ฉันคิดว่าเราได้ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2,555 ในวันอาทิตย์ที่1มกราคมซึ่งเป็นวันขึ้น8ข้ามเดือน2ปีมะโรงกันอย่างเรียกว่าเต็มเปี่ยมในหัวใจนะคะที่มีความสุขจริงๆแล้วก็หวังใจว่าสิ่งที่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้รับฟังพระอาจาร ย, ย์ไพบุตรอภิปุโนได้สักชาหรือสนทนาธรรมในวันขึ้นปีใหม่นี้คงจะได้ให้สาระที่ดีอย่างยิ่ง ที่จะให้ทุกฝัง่งทางบ้านทุกท่านที่เป็นแฟนรายการของรายการธรรมรับรุนได้ยึดถือไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนั้นก็ท่านก็จะเป็นคนที่ไม่ร้อนใจในภายหลังอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกนะคะสําหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องกราบน้ำสศการขอพระคุณอย่างสูงยิ่งแล้วก็กราบน้ำมศการลาพระอาจารย์ไพบุตรเอพิวโนพร้อมกันเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าซึ่งก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์แรก หรือว่าที่จะเข้าสู่ปีพุทธศักราช2555ก็ยังจะมีเรื่องที่น่าสนใจมาสักการะหรือพูดคุยให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะสําหรับในเช้าวันนี้เรามากราบน้มัสการลาขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบน้มัสการขอบพระคุณและกราบน้มัสการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาะ เ, จ, ขเจริญพานสาธุเจ้าขา